ก็นั่งฟงังศึกษาตามสบายๆนะวันนี้ได้เอาเรื่องของอาจารย์เทียรยุทธ์มาเปิดให้ฟังในช่วงของค่ำที่ได้กู้ให้ฟังวันว่าอาจารย์เทียรยุทธ์ไดออ้มาช่วยงานธรรมาอยู่ที่โรงเรียนลูกอรลุนสาบันสมศิลป แล้วกป็ปีต่อมาก็ได้สืนไปช่วยอยู่ที่ฝรั่งเศสที่ว่าถูกล้วงกระเป๋าคนนี้แหละถูกขโมยแหดรวงกระเป๋าทั้งกล้องทั้งกระเป๋าไปหมดเลยขนาดวิสติแล้วนะเพราะนั้นถ้าใครเจริญสติแล้วไม่แมน่จริงเราไปทางยุโรป ก, ก็ระวังให้ดีกัวนะ <c oughs> ว่าสอนเรื่องสติที่เป็นรูปประธรรมนีดีมากเข้าใจไหมแต่เย็นนี้ฟังแล้วเข้าใจนะ เข้าใจสรุปสั้นๆให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าท่านพูดว่าไงสั้นๆอะไรนะสรุปได้ค่นี้เองอ <c oughs> ว่าสมถะเป็นเรื่องของการคิดเอาแต่วิปัสสนาต้องรู้สึกต้งรู้สึกถึงจะรู้ใช่ไหมแต่เรื่องสมถะเป็นการคิดเอาแต่วิปัสสนาต้อง รู้สึกเอานะเพราะฉะนั้นวิธีการนําเสนอกับคนรุ่นใหมน่นี้มายชอบสไตล์ของท่านเพราะว่าได้ทุกรูปแบบเพราะท่านเป็นนักร้องด้วยนะเป็นนักร้องด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดการบริษัทอะไรสักอย่างว่าท่านจะเกษียณมาทํางานด้านนี้นะแต่ว่าเชจ้าของบริษัทบอกว่าไม่ต้องกเกษียณ น, นะนะมาบ้างไม่มามั่งก็ได้ แต่อนญาต้ไปเผปยแผ่ธรรมะแต่ยังกินเงนเดือนของบริษัทเหมือนเดิมเออถ้าพบเจน่นายแบบนี้ก็ดีนะทำให้ทำงานได้เผยแผ่ธรรมะได้ด้วยแล้วก็มีการทำอาชีพไปด้วยก็วินนั้นเชิญท่านไปช่วยที่ฝรั่งเศสเทือข้ามไปที่ไปสวิตไปที่เอยอรมันแล้วก็ออกไปที่ออสเตรียก็ไปแยกกันที่ต่านั้น ก็น่อกจากว่าทางต่างประเทศทางยุโรปเนี่ยคนไทยที่สนใจเรื่องการเจริญสติแบบนี้เยอะมาไปทำที่นั่นสี่ห้าปีที่ไปแต่ละปีเนี่ยมันไปตรงในช่วงวิสาขะพอวิสาขะโลกเนี่ยทางสภาพุทธศาสนายุโรปเนี่ยเขาจะมาประชุมจัดกันอยู่ที่เมืองที่มาไปเปิดอบรมเนี่ยเมืองสแตทบวรเนี่ยจัดสองวันเขาก็นิมนต์ไปสอนอบรมแบบนี้เอามาก็เสนอแบบเคลื่อนไหวนี่แหละนะฝรั่งมาทั้งฝั่ง สวิสต์ฝั่งเงยอรมันแล้วก็ยุ่ฝรั่งเศสก็อยู่ในจุดใกล้ๆกันทั้ง น, นั้นเองวิธีการนี้ก็เริ่มแพร่ขยายเดี๋ยวนี้การเจริญสติเขาประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติทั้งอังกฤษและทั้งอเมริกาเพราะว่าปัญหาของเขาเริ่มซับซ้อนมากขึ้นปัญหาเรื่องจิตแพทย์เอาไม่อยู่ละด้านไซโคโลจีหรือด้านจิตบำบัดนี่ก็เอาไม่อยู่เพราะปัญหาซับซ้อน เพาะนั้นฝรังหลายคนที่เขาเคยเข้ามาศึกษาพุทธศาสนามาเป็นนักบวชในเมืองไทยเราเขามีโอกาสได้เข้าไปเป็นสมาชิกรัฐสภาเขาก็เข้าใจหลักการพุทธศาสนาแล้วก็นําการเจริญสติแบบพุทธศาสนาเนี่ยไปใช้เรื่องตั้งแต่เด็กเล็กไปนะที่ที่หินเขาเอามาออกรายการ <c oughs> นั้นเองบ้านเราเมืองเราก็น่าจะเป็นเรื่องที่ ทำมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพุทธศาสนาในมิติที่เราศึากษากันเนี่ยมันเพิ่งมีไม่นา น, นมีในสมัยหลวงพ่อชาหลวงพ่อบุรุธาตุหลวงพ่อเทียนนี่เองนะแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ไม่ชัดเจนในการเผยนะแพร่ก็จะเป็นเรื่องสมถะใช่ส่วนใหญ่ซึ่งชาวบ้านนะทํากันยากนั่งทีละหลายเดือนหลายวันหลายปีเงี้ยแล้วไม่มีเวลาไปนั่งแล้วก็นั่งทีหลายชั่วโมงนะซึ่งเราก็ ต้องทํามหารกินไม่มีเวลาไปนั่งแบบนั้นมาายุ ข, ของหลวงพ่อพุทธทาสก็ว่าชัดแล้วก็ยังไม่ชัดเพราะะท่านพูดถึงเรื่องสรรพคุณของยาอธิบายเรื่องตัวยาแต่ว่าวิธีจะให้กินยาตัวนี้ง่ายๆนะท่านก็ยังไม่บอกเราไม่ได้ามาก็เคยไปศึกษากับท่านหลวงพ่อชาท่านก็จะเริ่มต้นด้วยสมถะก่อนก่อนที่มาสู่ยปริศนาก็ายากสําหรับชาวบ้านอยู่ แต่พอมายุคหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเอาลงมาสู่ชีวิตจริงเลยนะ แ, แล้วก็ท่านติดตามดูแลประกบตัวต่อตัวไม่ได้ไปสอนแล้วก็ทิ้งอันนั้นก็มาจับหลักได้ในหลื่หลักการหลวงพ่อเทียนเพราะท่านติดตามแล้วก็ปฏิบัติอยู่ตลอดเพราะนั้นอะไรก็ได้ที่เป็นความรู้สึกที่เรามีอยู่เนี่ยให้รู้สึกเข้าไปจริงๆนะเป็นวิปัสนาได้ แต่ส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกมันไม่ใช่รู้สึกล้วนๆเป็นความรู้สึกพอใจใช่ไหมรู้สึกไม่พอใจรู้สึกชอบรู้สึกรักรู้สึกชังรู้สึกหึงหวงรู้สึกอิจฉาพยาบาทรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นรู้สึกหนาวเป็นเป็นรู้สึกทางทางนอกหมดอ่ะมันไม่เป็นความรู้สึกล้วนๆอย่างสมมุติยมนั่งเนี่ยความรู้สึกล้วนๆเป็นยังไงตอนนี้หนักแล้วก็เมื่อยใช่ไหมอ่า แล้ใครเป็นผู้เมื่อยก็เป็นผู้หนักเออเรองนี้เจาให้ดีนะเรานั่งไปนานเมื่อยแล้วก็หนักใครเป็นผู้เมื่อยใครเป็นผู้หนักฮะเออถ้าบอกว่าเราเมื่อยเราเสร็จเลยนะถ้าเราเมื่อยนี่หมายว่าเป็นความรู้สึกภายนอกละแต่ถ้าบอาขาลูปน้ำ ม, มันเมื่อยอย่างนี้นะลูปน้ามเมื่อยกายใจมันเมื่อยไม่ใช่เรา ลูกนามมันเป็นเรื่องของลูกของนามไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราจะทําหน้าที่ยังไงถ้าลูกนามมันปวดมันเมื่อยเราทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่เฝ้าดูถ้ามันมากไปก็ไปไงบําบัดแก้ไขใช่ไหมถ้ามันพอทนได้ก็ทนไปถ้าทนไม่ได้ก็บำบัดแก้ไขหน้าที่ของสติผู้ดูเนี่ยมันทําที่เหมือนหมอหรือแพทย์ แต่ลูกดามเนี่ยมันเหมือนกับคนป่วยมันป่วยตลอดเวลามันป่วยด้วยโรคอะไรด้วยโรคปวดโรคเมื่อยโรคหิวโรคกระหายโรคเจ็บโรคแสบโรคคันโรคหนาวโรคร้อนใช่ไหมมีตลอดใช่ไหมเราต้องมีเครื่องบําบัดเยอะแยะไปหมดมีพัดลมมีตู้เย็นมีน้ําร้อนน้ําชามีอะไรบําบัดแก้ไขแก้ไขโรคอะเนี้ยโรคเป็นโรคทั้งหมดโรคของความหิวโรคของความอยากมีตลอดเวลา ดังนั้นพระุทธเจ้าท่านก็ให้มารู้จักตัวเราตัวรูปนามนี้ก่อนว่ามันเป็นโรคไม่ใช่รู้จักว่ามันเป็นเราแต่มันเป็นโรคนะเป็นโลกอะไรโลกอนิจจังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วไม่พอเกิดการแปรปรว น, นเย็นร้อนอ่อนแข็งเครื่องเจ็บปวดชอบใจไม่ชอบใจพอใจไม่พอใจอึอดอดัดแย่ใจเศร้าใจอะไรเป็นโลคแล้วแต่เหตุปัจจัยมันจะพาเป็นนะ น, นนั้นที่เรามาศึกษากันเนี่ยเพื่อที่จะให้จับความรู้สึกตรงเนี้ยให้ชัดๆว่าขณะที่ร่างกายมันไม่สบายด้วยโรคต่างๆเนี่ยเราไม่สบายหรือรูปนามไม่สบายคิดแค่นี้แหละถ้าว่าเราไม่สบายแสดงว่าเป็นทุกข์ละทั้งกายทั้งใจแต่ว่ารูปนามไม่สบายนั่นแสดงว่าเรา สบายอยู่แต่ว่ามันระหว่างหมอกับคนไข้เนี่ยหมอเป็นผู้รักษาหมอสบายอยู่แต่คนไข้เป็นผู้ที่ต้องถูกเยีวิยาร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นรูปหรือเป็นนามไม่เป็นรูปจริแล้วผ่านมาเมื่อวานนี่นะอชร่างกายนี้เป็นรูปหรือเป็นนามถ้าร่างกายนี้เป็นรูปเพียงเดียวนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าศุก นะเพราะฉะนั้นร่างกายนี้เป็นทั้งรูปและเป็นทั้งนามด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่ตั้งของกายและใจได้เพราะนั้นร่างกายนี้เป็นรูปนามนะรูปนามนี่เองมันจึงรับรู้ทุกๆุกอย่างที่มากระทบแต่ถ้าหากว่าจิตของเราที่มันถูกกระทบแล้วมันเกิดความรู้สึกอันนี้เป็นอะไรร่างกายถูกกระทบเรียกว่ารูปนามใช่ไหมถ้าจิตใจถูกกระทบเรียกว่า นามรูปซึ่งเมื่อวานไปได้เรียนไปแล้วนะว่าถ้าร่างกายถูกกระทบมันเป็นเรื่องของรูปนามไม่ใช่เรื่องของเรารูปนามจะต้องไปไปทำกฎของอะไรใจรักอันนี้จังทุกขังหน้าตาจะรู้ไปอย่างนั้นนั้นเวลาเรารู้สึกไม่สบายขึ้นมาปับ๊บให้นึกในใจว่าอันนี้เป็นเรื่องของรูปนามแต่เราเป็นผู้มีหน้าที่ทําไงเยียรักษาดูแลบําบัด แก้ไขอย่างรู้เนื้อรู้ตัวแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกพิบัสินามาก่อนเราก็ไปเข้าใจว่าทุกขของรูปนามเป็นทุกขของใครเป็นทุกข์ของเราเราก็จะดิน้นรนเจ็บกายาก็เจ็บใจด้วยเจ็บใจก็เจ็บกายด้วยเจ็บสองชั้นแต่ถ้าเรารู้ว่ า, ารูปนามเนี่ยมันไม่สบายเป็นเรื่องของรูปนามมันก็จะเจ็บชั้นเดียวคือเจ็บชั้นรูปนามนามรูปไม่เจ็บ นะคือใจไม่เจ็บไปด้วยดังนั้นเองอันนี้คือเรามาศึกษาเรื่องนี้แต่ทีนี้อาจารย์ทิรยุทธ์ที่นำเสนอไม่แค่เราจะเห็นว่าท่านนำเสนอในส่วนที่เป็นรูปธรรมให้เห็นชัดว่าความรู้สึกที่เป็นสภาวะธรรมก็ดีเป็นสภาพดามก็ดีเป็นปรมาตธรรมก็ดีนั่นเป็นเรื่องของจิตซึ่งจะต้องสัมผัสเอารู้สึกเอาคิดเอาไม่ได้เพราะคิดแล้วมันก็เป็นเรื่องของ รูปหมดแต่ถ้ารู้สึกเอานี่เป็นเรื่องของนามนะสมมติว่าเราทานากินน้ำตาลรู้สึกหวานท่านบอกอธิบายความหวานได้ไหมหวานเป็นลักษณะอย่างไรมันเป็นความรู้สึกความรู้สึกหวานความรู้สึกเค็มอธิบายไม่ได้แต่บอกว่าถ้าบอกว่าเป็นเกลือเป็นน้ำตาลนึกออกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่หมแต่รสของเกลือรสของน้าตาลเนี่ย เป็นความรู้สึกแต่ตัวน้าตาลตัวเกลือเป็นรูปเพราะฉะนั้นตัวอธิบายเรื่องน้ำตาลอธิบายเรื่องเกลือได้แต่อธิบายเรื่องรสของมันเนี่ยอธิบายไม่ไดจจ้จนกว่าเราจะสัมผัสจนกว่าเราจะสัมผัสแต่เข้าไปที่ลิ้นนะอย่างที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าถามบอกว่าพริกเผ็ดไหมนะถ้าเป็นความจำในในเป็นรูปก็คือเผ็ดแต่ถ้าเป็นความจริงเผ็ดหรือไม่เผ็ด พริกเผ็ดหรือไม่เผ็ดถ้าเป็นความจริงถ้าเป็นความจำมันเผ็ดเพราะจำาละสัญญามาตอบใช่ไหมแต่ถ้าเป็นความจริงเผ็ดหรือไม่เผิดไม่เผจดเพราะพริกไม่ได้อยู่ที่ลิ้นของเราในขณะนี้ความจริงคือสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นนั้นใช่ไหแต่ว่าที่มันปรากฏแล้วเราเอามาพูดใหม่นี่เป็นความจริงหรือความจาเป็นความจาซึ่งไม่ใช่ความจริงมันผ่านไปแล้วแต่ความจริงต้องปรากฏขณะเดี๋ยวนี้ บอกว่าหวานคือข้าวหวานเดี๋ยวนี้เค็มก็คือเค็มเดี๋ยวนี้นี่เรียกว่าความจริงเพราะฉะนั้นวิปัสนาจึงเป็นของจริงที่มีอยู่จริงๆริงใช่ไหมแต่สมมุติเป็นของจริงที่มีอยู่ไม่จริงมันมีอยู่แต่มันผ่านไปแล้วมันมีอยู่แต่มันอยู่ไม่มีขนาดนี้ยมันผ่านไปแล้วเรียกว่าเป็นของจริงที่มีอยู่ไม่จริงแต่ว่าวิปัสนาหรือปรมาภิเป็นความจริงที่มีอยู่จริงๆ ขณะนี้เรานั่งเราร้อนไม่เย็นไม่ตึงไม่เข่งไม่ปวดไม่สบายไม่ไม่ที่ปรากฏครานี้เป็นความจริงแล้วเนี่ยที่เราสัมผัสได้ขณะนี้เราสัมผัสความจริงนะแต่ความจริงมีสองอย่างความจริงที่เป็นสมมติคือเราเราคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราสบายเราไม่สบายอันนี้เป็นความจริงแบบสมมติความจริงมันไม่มีเรามีแต่รูปกับนามนะแต่ถ้าบอกว่าเออขณะนี้รูปนามมัน สบายไม่สบายเออ น, นี่คือความจริงแบบปรมาจา์นะครับเป็นรูปนามรูปนามสบายๆก็เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปนะอันนี้เรื่องเรื่องยากหน่อยนะแต่ว่าตอนที่มาเชิญท่านไปพูดอยู่ที่รุ่งอรุณโรงเรียนรุ่งอรุณตอนนั้นเอามาอบรมพวกคณะครูนักเรียนนะเอาคณะครูนักศึกษาที่นั่นแล้วก็เอาอาจารย์ทีเดียวจะไป ปรากฏว่าคือเรียกคนมาสัมภาษณ์ก็พาร้องเพลงอย่างที่ว่านี่นะน้องเพลงโอ้ปรากฏว่าโยมคนหนึ่งเป็นเป็นครูผู้หญิงนะพร้องได้สวยมากนะปรากฏว่าการเจริญสติคนนั้นก็เลยเป็นเรื่องของอินเตอร์เทนคือเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เจริญสติก็สนุกไปด้วยนะก็ทําให้การเจริญสติแบบที่เราทําก็เป็นเรื่องที่สนุกได้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเดดตดถึงเครื่งเครียดหรือเป็นเรื่องที่จริงจังมากเกินไปก็ไม่ใช่นะ ก็สนุกได้แต่อย่างรู้สึกตัวนะสำหรับวันพรุ่งนี้ในช่วงบอกเวลาไว้ก่อนนะ <c oughs> ในช่วงตั้งแต่เวลาเท่าไหร่นะคุณตายนะแปดโมงเช้าถึงสิบโมงเสร็จไหมเพราะงะั้นในช่วงเช้าพรุ่งนี้เราอาจจะขึ้นไปปฏิบัติที่เจดีนะอาจจะช่วยเคลียร์ที่เจดีให้ด้วย อาเซบภูก็เคลียร์แถวนั้นที่หนึ่งก็เป็นปฏิบัติข้างบนก็คงจงเพียนก็คงจะเสร็จนะเพราะเรานั่งปฏิบัตินิเครื่องจักรทางานก็ื่อทำให้เราไม่ค่อยมีสมาธิสำหรับผู้ใหม่พองานนี้มีผู้ใหม่อยู่เยอะสําสหรับผู้ใหม่แล้วอยากจะให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ทุกคนคือที่เป็นปัญหาก็คือว่าเราเราสําคัญว่าการปฏิบัติทำเนี่ยต้องสบาย นะต้องสบายเพราะฉะนั้นนั่งไปแล้ว เ, เลยก็อยากจะสบายและอยากจะสงบถ้ามันสงบแล้วจะแช่อยู่ในนั้นปฏิบัติเพื่อให้มันได้ความสงบอันนี้ไม่ใช่นะเราปฏิบัตินี่ไม่ได้เพื่อความสงบเพื่อความรู้ของจริงที่เกิดขึ้นแต่ละขณะเพื่อรู้ของจริงที่เกิดละขณะแล้วนี่จิตมันก็จะอยู่ความจริงความจริงเป็นเรื่องของปัจจุบันถ้าจิตเราอยู่ปัจจุบันจิตจะสงบ หรือไม่สงบถ้าจ mm. ิตอยู่กับปัจจุบ mm. ันจริงๆสงบหรือไม่สงบสงบโดยที่ไม่ต้องทําปัจจุบันที่เป็นความจริงนะปัจจุบันเนี่ยต้องคิดหรือต้องต้องคิดหรือต้องรู้สึกเอาต้องรู้สึกเอาเพราะฉะนั้นจิตที่ไปอยู่ความรู้สึกขณะปัจจุบันเยอะแแข็งเคร่งตึงสบายไม่สบายเนี่ยมันไม่ต้องได้คิดไงมันรู้สึกเอาถ้าจิตแล้วไปอยู่ความรู้สึกอันนี้แล้วเนี่ยจิตมันก็จะนิ่งมันก็จสงบโดยธรรมชาติ แต่ถ้าหากว่าเราจิตเขาไม่ได้อยู่กับจิตของเราไม่ได้อยู่กับความจริงในปัจจุบันเราจะพยายามทำจิตให้สงบมันก็สงบไม่ได้เพราะจิตเราไม่อยู่กับความจริงมันไปอยู่อดีตนะครับคนมันต้องคิดพอคิดเราไปบังคับให้มันคิดเพื่อเราจะสงบมันก็ไม่สงบนั่นแหละเล็าเรียกว่าปฏิบัติแบบเก็บกฎ บ, บังคับมันก็จะทุกข์ทีนี้มันก็จะฝืน แต่ถ้าเราปฏิบัติไปเราเห็นความจริงขณะนี้เย็ น, น, น, ยนร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงปวดเมื่อยแสบคันร้อนหนาวให้เห็นอาการปรากฏขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่ ง, ง, ง, ง, งแล้วดูมันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งไปตามอาการนั้นสัมผัสเท่าที่อาการมันมีอยู่ตรงนั้นจิตของเราก็จะนิ่งอยู่กับตัวรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะนั้นโดยอัตโนมัติจิตก็จะเป็นสมาธิโดยอัตโนมัติ ยากไหมที่ว่าในนะยากเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้พอเวลาเรานั่งอยู่เราไปนั่งเฉยๆใช่ไหมเราเสร้างความรู้สึกให้มันชัดด้วยการยกมือด้วยหรือด้วยการเดินด้วยเพื่อกระตุ้นให้ความรู้สึกที่เป็นของจริงที่มีอยู่แล้วให้เด่นขึ้นให้ชัดขึ้นแล้วก็เอาใจของเราเนี่ยไปสัมผัสจุดนั้นบ่อยๆจนกระทั่งจิตมันคุ้นเคยจิตคุ้นเคยกับปัจจุบันนะ ปัจจุบันคือความจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจัดว่าอย่างนี้ว่าโยธรรมังต at, at, ัทตัถะวิปัสติอาั่งฮีรังอสั่งภูปังตังวิทธามนุภูหเยผู้ใดเห็นสภาวะธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าขณะนี้และเดี๋ยวนี้พึงทําความรู้สึกนั้นให้มัน่นคงให้ชัดเจนเสมอไม่ให้มันคลาดเคลื่อนจากปัจจุบันไม่ให้มันงอนแง่นคอนแคน เขาพึงรักษาอาการของความรู้สึกเช่นนั้นไว้รักษาไว้คือดูความจริงปรากฏนั้นไว้อะถ้าสมมติว่ามันปวดบำบัดแล้วความปวดหายไปแล้วอะไรปรากฏต่อความสบายปรากฏต่อความสบายปรากฏสักพักหนึ่งความสบายนั้นก็เปลี่ยนแปลงเป็นอะไรต่อีกเป็นความปวดความเมื่อยเป็ความร้อนความปวดที่เข้ามาใหม่นั้นเป็นของจริงหรือของหลอก เป็นของจริงตลอดเวลาใช่ไหมความจริงไหลเข้ามาหาเราตลอดเวลาสูงว่าความจริงครั้นี้หนักใช่ไหมพอเราเปลี่ยนไปปั๊บรู้สึกเป็นไงเบาใช่ไหมเบาเป็นของจริงหรือของของหลอกของจริงใช่ไหมอ่าแล้วนั่งลงไปอีกหนักอ่านั่งสักพักมันเพลินในความเบาความสบายนะความเพลินที่เกิดจากความเบาสบายนั้นเป็นของจริงหรือไม่จริงเออน้าคิดนียเอาให้ดี ความเผลอและความเพลินอันเกิดจากที่เราไปเสพความสบายความสบายเป็นของจริงใช่ไหมแต่การที่เขาไปเผลอเสพความความสุขความสบายอันนั้นเป็นของจริงหรือไม่จริงเอาละเอาละเอาละอาการเพลินหรือเผลอนเป็นอาการของกายหรือของใจอาการของกายหรือของใจความรู้สึกสบายเป็นอาการของ กายความรู้สึกชอบใจในอาการนั้นเป็นอาการของใจอาการของใจเราเรียกรูปนามหรือนามรูปหรือนามล้่นลื่นเมื่อวานเราว่าไว้ด้วยสี่อย่างใช่ไหมรูปนามนามรูปรูปลื่นลืนนามล้่นๆืนความรู้สึกเพลินเนี่ยเป็นเป็นตัวไหนเป็นนามรูปหรือรูปนามหรือนามลื่นลื่น เออชักหลงประเด็นได้เนยนะความรู้สึกพอใจไม่พอใจเป็นรูปนามหรือนามรูปความรู้สึกว่าพอใจเป็นรูปนามหรือนามรูปหรือนามลน้วนความรู้สึกลืนล้วนคือรู้ว่าเราเป็นผู้รู้ว่าขณะนี้ชอบนะนี่เป็นความรู้สึกเป็นนามลืน้วนแต่ขณะที่เราชอบเราเราเพลินเนี่ยเป็นนามรูปนามรูปจึงเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ แต่น้ำล้นเป็นเหตุให้ดับทุกข์สมมติเราปวดเรารู้ว่าปวดเราเรารู้มันอยู่นะแล้วอาการปวดหรือรู้สึกสบายเรารู้ว่าเรากำลังสบายเรารู้ว่าเราสบายเรารู้ว่ากำลังสบายกับเราเสพความสบายต่างกันไหมเรารู้สึกสบายแล้วรู้สึกว่าเป็นผู้รู้ความสบายอันหนึ่งนะ เรารู้สึกสบายแล้วเข้าไปเสพความสบายใหญ่ให้ความสบายอยู่นานๆเนี่ยอันนี้เป็นอะไรลูนามรลูนามรูปเป็นความรู้ว่าสบายเห็นความสบายนั้นเรื่อยๆนี่เป็นนามล้วนความรู้สึกสบายแล้วเข้าไปเสพความสบายนั้นอยากให้ความสบายอยู่นานไปชอบความสบายนั้นตัวนี้เป็นนามรูปความเพลินเป็นนามรูปความเรือเป็นนามรูป แล้วนำรูปก็จะนําไปสู่ความทุกข์อ่าคือความคิดความปรุงแต่งต่างๆตอนนั้นให้ไปซักซ้อมเหล่านี้ไปแยกแยะให้เห็นชัดนั้นเวลาเดินนั่งอะไรต่างๆมันความจริงปรากฏตลอดเวลานะแต่พอเราเข้าไปเผลอแล้วไปเพลินปับ๊บความจริงนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นความอะไรอ่า ความจริงที่เรารู้สึกสบายเป็นเรื่องของรูปนามพอเราไปชอบความสบายนั้นความจริงที่เป็นรูปนามก็ความจริงนั้นเปลี่ยนเป็นนามมารูปเป็นความจริงแบบสมมุติแล้วใช่ไหมถ้าเปลี่ยนเป็นสมมุติเป็นความจริงแบบสมมุติแล้วคือมันเปลี่ยนเป็นนามรูปเพราะนามรูปคือรูปของจิตเป็นรูปที่ไม่มีจริงอย่างสมมติเรานึกถึงพ่อเนี่ยพ่อมีจริงจริงไม แต่ภาพของคุณพ่อคุณแม่ที่ปรากฏในใจมีจริงใช่ไหมแต่คุณพ่อคุณแม่ปรากฏตรงนี้จริงไหมไม่จริงการคิดมีจริงแต่คุณพ่อคุณแม่ที่ในความคิดมีไม่จริงเราจรึงเรียกว่าน้ํารูปแต่ถ้าหากว่าความจริงคอานึกพอคุณพ่อคุณแม่ไปยืนดูนี้ปั๊บเราจะนึกถึงท่านหรือไม่นึกถึงท่านเราก็มีท่านอยู่นั่นจริงๆนะอันนี้ขอให้เราละเอียดอีกนิดหนึ่งว่าที่มันยากคือยากตรงนั้น แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเรายังไม่ชํานาญเรื่องนั้นเขาคิดว mm. ่าคิดเออนี่คือความรู้สึกความรู้สึกตัวแต่จิตของมนุษย์เนี่ยมันจะรู้แต่เรื่องซ้ำซากนานๆ น, น่ะมันมันอยู่ไม่ได้มันเบือ่อเพราะฉะนั้นคนใหม่นี่จะมีความเบือ่อความเซ็งความขี้เกียจความหมู่ดิบเพราะอะไรเพราะว่าจิตไม่สามารถที่จะไปรับรู้สภาวะที่เป็นปัจจุบันได้นานเพราะตลอดเวลาที่เราอยู่ที่บ้าน คิดเรื bo ่องนี้น er. hey. ิดคิดเรื่องนั้นหน่อยเอาจากเรื่องนี้กับไปเรื่องนั้นต่อต่อต่อต่อไปเรื่อยไม่เคยคิดเรื่องเดียวนานนไม่เคยอยู่กับเรื่องเดียวนานนากินแล้วจะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วมีกิจกรรมทําเรื่องนี้กับไปทำเรื่องนั้นมันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนรสชาติลักษณะที่เปลี่ยนรสชาติคือเปลี่ยนตามความอยากนั้นหมายความเราอยู่ด้วยความอยากอยู่ด้วยปัญหาตลอดเวลาเราจึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอด แต่พอเรามานั่งอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความคิดใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความอยากแต่เราต้องการอยู่กับความจริงการที่เราใช้จะมาอยู่ความจริงปรากฏเย็นร้อนอ่อนแข็งปรากฏเนี่ยเราเคยอยู่กับมันมาก่อนไหมมีมันอยู่แต่เราเคยอยู่กับมันไหมไม่เคยนะมิตรเราเรามีแต่หนีมันอ่าไม่ชอบอะเรามีแต่หนีคือไม่อยากอยู่คือความจริงมันเป็น มันเป็นของจริงแต่จิตของเรายังไม่เคยอยู่กับความจริงเราก็จะไปอยู่กับความหลอกคือความคิดเป็นของหลอกลวงคือล่อให้เราคิดไปเรื่อยเรืเรื่องนั้นมาแล้วก็เรื่องนั้นไปเรื่อยๆรความรักก็เป็นความคิดความชังก็เป็นความคิดความโลภความโกรธความหลงเป็นความคิดหมดไม่ใช่ความจริงแต่ความจริงในกายในใจของเราเนี่ยมีอยู่กี่อย่างมีกี่อย่างความรู้สึกมีอยู่กี่อย่าง สอย่างหนึ่งความรู้สึกสถ้าความจริงฝ่ายกายก็คือครู้สึกสบายใช่ไหมไม่สบายแล้วก็เฉยๆความรู้สึกฝ่ายใจก็มีสามคือความรู้สึกอชอบไม่อชอบเฉยๆนะชอบพอใจไม่พอใจกุศลอกุศลอะก็แล้วแต่ละมันจะสมมุติไปจากตัวนี้ทั้งหมดแต่มันก็คือมันมีแค่สามอย่างแต่ความคิดมันมีกี่อย่าง มีรลอยอย่างพันอย่างหมื่นอย่างแสนอย่างวันไม่รู้กี่หมืน่นกี่แสนเรื่องใช่มันคิดได้อันนั้นคือความจริงที่ไม่จริงเพราะมันเป็นภาพลวงตานะเป็นนามรูปแต่เราก็เป็นหลงกับภาพอันนั้นแต่เราเคยรู้ไหมว่ามันเป็นของหลอกลวงไม่รู้เพราะเราไปคิดว่านั่นเลยคือเรานะเราจึงเป็นทุกข์ยังไงมันเป็นทุกข์ดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยใจของเราก็จะเข้าใจความจริง ระหว่างจิตอยู่กับความจริงกับอยู่กับความไม่จริงเนี่ยถ้าถามคนที่ไม่ได้ฝึกว่าคุณชอบแบบไหนเราก็จะชอบอยู่ของไม่จริงเพราะมันสบายกว่ามันสนุกกว่าเราไปดูคนตีกันจริงๆกับไปดูคนตีกันในจอโทรทัศน์เนี่ยอันไหนสนุกกว่าอัน <laughs> ในจอใช่ไหม <laughs> แต่ไปดูคนตีกันจริงๆรเป็นไง โอ้กลัวจะเป็นลมเป็นแรงเห็นคนตีกันฆ่ากันใช่ไหมกลัวตกใจจะช็อกเลยนะ่ะแต่ไปหเห็นเขาตีกันในจอโทรทัศน์ดูเชียร์กันตึมตึ ม, ต ม, ตมเลยเห็นไหมอขอาจริงหรือขางหลอกในโทรทัศน์เนี่ยอของหลอกน่ะเพราะจิตเราก็ไ่ชอบก่ับของหลอกหรือเวลาเราไปดูหนังฟังเพลงดูละครใช่หไหมเราก็ชอบแต่เวลาเขามาเล่นละครใส่เราเราชอบไหม เราไม่ชอบคนล่เรเื่องเลยนะใครมาเล่นละครแต่เราเราไม่ชอบแต่เราไปดูคนอื่นเขาแสดงละครให้เราดูเราชอบเนี่ยที่ว่าเราชอบของหลอกคือเราชอบอย่างเนี้ยคือเราชอบหลอกนะดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าตามใดที่เราจะชอบของหลอกอยู่ลอกของสมมุติก็ยังเป็นทุกข์เลื่อยไปนะเป็นทุกข์เลื่อยไปถ้าหากเราต้องการออกจากทุกข์คือออกจากสิ่งหลอกลวงคือสิ่งที่มันพาเราคิดไปคือออกจากความคิด การออกจากความคิดได้คือออกจากภาวะที่ถูกหลอกลวงเราจะมาอยู่กับความจริงความจริงนี่คืออะไรความจริงต้องได้คิดเอาหรือต้องได้รู้สึกเอารู้สึกเอามันเป็นของจริงแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเรายังไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความศรัทธาความเพียรเนี่ยจิตของเราก็อยู่กับความจริงไม่ได้เพราะมันไม่เคยอยู่เราก็ต้อง มาปฏิบัติเพื่อหลอกล่อให้จิตเนี่ยมาอยู่กับความจริงนานๆเมื่อจิตไม่อยู่ความจริงนานๆจิตไม่เคยฉลาดความมันก็จะฉลาดขึ้นจิตเกิดปัญญาขึ้นพอจิตเกิดปัญญาขึ้นมันก็จะรู้จักความคิดเนี่ยเป็นของไม่จริงมันก็จะไม่เข้าไปอยู่กับความคิดพอ ร, รู้ว่าเข้าไปอยู่ความคิดแล้วก็อยู่กของไม่จริงของไม่จริงก็คือของที่หลอกเราไปหลอกให้เราโลภก็ได้หลอกให้เราโกรธก็ได้หลอกให้เรารักก็ได้หลอกให้เราชังก็ได้ หลอกให้เราตีกันก็ได้หลอกให้เรารักกันก็ได้หลอกให้เราชอบกันได้หลอกให้รำเกียจกันก็ได้พี่น้องหลอกให้ฆ่ากันก็ได้เห็นไหมมันหลอกทั้งนั้นเลยแต่เราก็เชื่อมันเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้ความจริงแต่ณวันเนี้ยเรามาศึกษาความจริงเพราะความจริงที่แท้จริงนั้นก็มีอยู่คือความรู้สึกอ่าความรู้สึกก็มีอยู่สองอย่างความรู้สึกสบายไม่สบาย แะความรู้สึกเฉยเฉยแต่ถ้าเมื่อไรเราไปชอบความรู้สึกสบายไม่ชอบความรู้สึกไม่สบายและไม่รู้จักความรู้สึกเฉยเฉยตรงนี้ฟังให้ใหทันนะความจริงมีอยู่สามประการที่เป็นความรู้สึกสบายไม่สบายอย่างไม่แน่ไม่อยากจะใช้คำว่าเฉยเฉยนะรู้ความสุขคือมันยังไม่แน่ว่าสุขหรือทุกข์อ่ะคือสมมุติเรานั่งเนะี่ยมีหนักอยกกับมีเบาระหว่างหนักกับเบาเนี่เราเรียกอะไร เรียกว่ากลางๆใช่ียกสมมติวันหยุดกลางๆว้างเฉยๆบ้างหรือยังไม่แน่ว่าเป็นอะไรว้างตรงนี้แหละเรียกยากใช่ไหมใช่า็ทุกขมิสุบ้างใช้ว่าอุเปก ข, ขาบ้างใช้ว่าอนัตตาบ้างมันยังไม่ชัดเจนชักอย่างนะแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกนั้นก็มีสามอย่า ง, างถ้าความรู้สึกสามอย่างนี้มีอยู่จริงแล้วเราเข้าไปดูมันเข้าไปศึกษามันเข้าไปเรียนรู้มันเข้าไปทําทความรู้จักกับมัน ลักษณะอย่างนี้แล้วเรียกว่าเป็นการภาวนาดังนั้นภาวนาแบบที่เราพูดกันนี้หมายถึงว่าเราทําได้ทุกแห่งความรู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆมีกับเราได้ตลอดเวลาใช่ไหมถ้าเราเข้าดูศึกษาเรียนรู้มันก็แสดงว่าเราปฏิบัติทําตลอดเวลาไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วความรู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆเนี่ยมีอยู่แต่เราเคยตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจศึกษาตั้งใจเฝ้าดูมันไหม ไม่ได้เข้าดูมันจึงไม่เป็นองค์ภาวนาตรงนี้จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายแต่นั้นท่านจึงให้เรื่องว่าหนึ่งต้องมีความรักมีศรัทธาที่จะทําเรื่องนี้สองลงมือทำนะคือความเพียรให้มีศรัทธาและความเพียรศึกษาเรื่องสามเรื่องนี้เมื่อศึกษาเรื่องของความรู้สึกสบายก็จะเป็นศีลถ้าศึกษาเรื่อ ง, องความรู้สึกไม่สบายก็จะเป็นสมาธิถ้าศึกษาเรื่องความไม่แน่นอนก็จะเป็นปัญญา นี่ น, นี่ใกล้ๆนี่เลยนะต้องมีความรักความเพียรในการที่ศึกษาและศึกษาสามเรื่องอเรื่องของความรู้สึกสบายความรู้สึกสบายถ้าศึกษามันจะกลายเป็นศีล ก, กลายเป็นสติเฝ้าดูมันว่าความรู้สึกสบายเป็นยังไงทีนี้ระหว่างในชีวิตประจำวันของเราแต่ละขนานความรู้สึกสบายกับไม่สบายในยอันไหนมีมากกว่าเออเอาให้แน่ ความรู้สึกสบายกับไม่สบายอันไหนมีมากกว่าไม่สบายใช่ไหมเราจึงวิ่งหาอะไรหาความสบายความสบายกับความไม่สบายเป็นสิ่งตรงกันข้ามหรือเป็นสิ่งเดียวกันเอาละเอาละทีนี้ได้เรื่องแล้วหน้านี้กับหน้านี้เป็นสิ่งเดียวกันหรือคนได้สิ่ง แต่มันคืออันเดียวกันแต่คนละด้านใช่ไหมสมมติว่าหน้านี้เป็นความสบายหน้านี้เป็นความไม่สบายทั้นั้นความสบายก็มันคือสิ่งเดียวกันแต่คนละคนละด้านเท่านั้นฮะใช่เป็นความรู้สึกเหมือนกันคือสิ่งเดียวกันเป็นความรู้สึกเหมือนกันแต่ถ้าหากว่ารู้สึกหนักมันคือหน้านี้รู้สึกเบามันคือหน้านี้แต่มันก็คือความรู้สึกเหมือนกันถ้าเราดูหน้านี้ ก่นหน้านี้เราสมมุติว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ทั้งสุขทั้งทุกข์มันก็คือวัตถุเดียวกันคือความรู้สึกอ่าคือความรู้สึกดังนั้นจะบอกได้ว่าสุขกับทุกข์เป็นเรื่องเดียวกันได้ไหมงงอยู่งงอยู่แต่ถ้าจะบอกว่าสุขกับทุกข์เป็นคนละเรื่องเดียวกันได้ไหมนี่ภาษาสมัยใหม่ <laughs> เป็นคนละเรื่องเดียวกัน เดี๋ยว่าคนละเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่เป็นคนละเรื่องเดียวกันคนสมัยใหม่คนใช้สามนี้นะดังนั้นถ้าเราแสวงหาสุขเราก็ไม่เจออะไรเจอทุกเราแสวงหาทุกก็ไปเจอสุขทีนี้นจะออกจากสุขจากทุกได้ไงถ้าเราสุขก็ไม่ต้องแสวงหาสุขคืออย่าไปเอาสุขแล้วมันจะไม่ทุกแต่เรามีสุข เราจะไปเอาสุขมันจะกลายเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะสุขมันของเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ามันไม่เที่ย ง, ไ ม, ยงไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มันเปลี่ยนแปลงไปสุขหรือเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์นะเห็นไหมถ้าเราทุกข์แล้วมันจะไปเจอสุขถ้าเอาสุขกไปเจอทุกข์เพราะมันเปลี่ยนแปลงไปตรงข้ามนั่นเองคือเปลี pues, heps, ่ยนด้านนี้ก็เป็นด้านนี้เป็นด้านนี้ก็เป็นด้านนี้นั่นเองไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้คือสัจธรรมที่มีอยู่กับเราทุกวัน แต่เราก็ไม่เคยที่จะไปใส่ใจเรียนรู้มันมากมายเพราะว่าโลกก็โล่งไปอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาสุขเป็นธรรมดาทุกข์เป็นธรรมดาโล่เป็นธรรมดากลัวเป็นธรรมดาหลงเป็นธรรมดาแต่ความจริงมันไม่ใช่ธรรมดานะธรรมดาคือไม่มีทุกข์แต่ที่มีทุกข์ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะดังนั้นถ้าสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่ไปดีเสดแต่เราก็ไม่เสดแต่ให้รู้ว่าสุขถ้าทานอาหารอร่อยเราจะไปทําท่าว่าไม่อร่อยนี่ไม่ได้ ก็รู้ว่ามันอร่อยแค่นั้นเองอร่อยก็แต่อย่าไปชอบความอร่อยอยากไหมไม่รู้ว่าเราว่าอย่าไปชอบก็แล้วกันถ้าไปชอบมันเป็นได้ทั้งหลงไปได้ทั้งเพลินละ่ะเรารู้ว่าอาหารอร่อยก็คืออร่อยกินแล้วก็จบแต่ไปอีกมื้อหนึ่งไปเจอความไม่อร่อยถ้าเราไม่ชอบแสดงว่าเราไปชอบอร่อยแล้วเพราะความไม่ชอบมันจึงเกิดขึ้นใช่ไมแต่ถ้าเราไม่ชอบอาหาร อาหารที่ไม่อร่อยแล้วก็ไม่ไปไม่ชอบอาหารที่อร่อยเราก็ไม่ไปชอบพอเจออาหารอร่อยก็คือรู้อร่อยเจออาหารไม่อร่อยก็รู้ไม่อร่อยไม่ถ้าไม่มีด้านนี้ไม่มีคําว่าชอบในอร่อยมันก็จะไม่มีคําว่าไม่ชอบในความไม่อร่อยมันก็จิตมันจะเป็นกลางตรงนี้เรียกว่าตัวรู้สึกล้วนๆยากไหมศัพท์พุทธศาสนาชี้ใช้ว่าศัตว์ อร่อยศักทว่าอร่อยไม่อร่อยก็ศักท์ว่าไม่อร่อยนี่คือยากเข้าไปคือรู้เฉยๆอะ่ะอร่อยก็ได้ไม่อร่อยก็ได้นสบายก็ได้ไม่สบายก็ได้รู้เฉยๆแต่ส่วนใหญ่คนทําใจได้อย่างนั้นไหมไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้เรียนรู้ความจริงพอไปเจอความจริงเข้าเลยรับไม่ได้เราไปอยู่กับคนที่ อ, อยู่ด้วยกันแล้วก็อยากจะให้มีความรักกันถ้ารู้สึกว่า เขาก็เฉยๆเราก็เฉยๆเป็นไงรักกันได้ไหมอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่คนต่างเฉยนะมันอย่าอยู่ด้วยกันเลยทีนี้พอรักกันรักกันความรักหรือเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงความรักเป็นอันนี้จังใช่ไหมความรักก็เปลี่ยนเป็นความอะไรความไม่รักอเป็นความเบื่อพอเบื่อนี้เราไม่ชอบแต่รักเราชอบทีนี้ความรักกับความเบื่อเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องคนละเรื่องเดียวกัน ก็เห <c oughs> มือนเหมือนสุขกับทุกข์ใช่ไหมก็นคนละเรื่องเดียวกันถ้าคุณรักคุณก็ต้องยอมรับความเบื่อไปด้วยมันไม่เบือบ่อวันนี้ก็ต้องเบื่อวันพรุ่งนี้ไม่เบื่อวันพรุ่งนี้ก็ต้องเบื่อเดือนหน้าปีหน้ามันต้องเบื่อกันอเบื่อกันแล้วก็ต้องยอมรับว่าเออเบื่อแค่นั้นเองก็อยู่กันได้ต่อแต่ถ้าหากว่าอยู่ก็ได้เฉพาะที่เวลามีความรักเวลาเบื่อก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้นี่ก็แสดงว่าทุกข์ละนะอันนี้คือชีญญวิตจริงของเรา ดังนั้นที่เรามาเรียนวิปัสนาเรียนเพื่อที่ยอมรับความจริงไม่ได้เรียนเพื่อที่จะหนีความจริงคุณมีสิทธิ์ที่จะอร่อยได้แต่อย่าไปติดความอร่อยคุณมีสิทธิ์ที่จะรักได้แต่อย่าไปติดในความรักคุณมีสิทธิที่จะสุขได้แต่อย่าไปติดในความสุขเท่านั้นเองเพราะสุขก็ดีรักก็ดีมันก็เปลี่ยนไปตรงกันข้ามเสมอเป็นกฎของสัจธรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนั้นเองการปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นปฏิบัติต่อการที่จะ สุขไม่เป็นปฏิบักษ์ไม่เป็นอุบายสักที่จะรักไม่เป็นอุบายสักที่จะสบายแต่อุปายสักของมันก็คือเราไปยึดว่าต้องรักเยอะๆขึ้นต้องสุขเยอะๆขึ้นต้องดีเยอะๆขึ้นต้องรักฉันมากๆขึ้นอะไเนี่มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เพราะความรักก็เปลี่ยนเป็นปความเบื่อเพราะความรักเองมันก็เปลีนใ้จงังทุกข์ข่าหน้าตาเมื่อเรารู้สัจธรรมอย่างนี้เราอยู่ความรักก็ได้อยู่ความ สุขก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ระวังใจทำไว้ในใจว่าเคยสุขเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นทุกข์นะรักเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นชังนะพอเปลี่ยนมาเป็นชังเราก็ไม่ไปชังกับมันเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปรักอีกแล้วก็ไม่ไปรักกับมันเฉยๆแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะดังนั้นเองการปฏิบัติธรรมอย่าไปคิดว่าเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตทางโลกแต่ว่าจะทําให้การใช้ชีวิตทางโลกมีความยั่งยืนขึ้น เพราะรู้จักความพอดีรักก็รักแต่พอดีชังก็ชังแต่พอดีสุขก็สุขแต่พอดีทุกข์ก็ทุกข์แต่พอดีที่พุทธเจ้าเรียกว่าทางสายกลางแต่ถ้าหากรักมากเกินไปมันสุดตรงพุทธเจ้าบอกไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันตีกับมันไปอีกด้านนึงเลยทางสุดตรงถ้าชังมากเกินไปพรตีกับอภิรักมากแต่พวกว่าเออจะรักก็ให้มาอยู่ทางสายกลางจะชังชังเสร็จแล้วให้กลับมาอยู่ทางสายกลาง คือเมื่อก่อนมันข้ามะรักแล้ว ก, กช็ชังชังแล้ว ก, ก, ก็รักแต่คุณเจ้าคุณพบเอาจิตมาอยู่ทางสายกลางถึงเวลารักคุณก็รักแล้วเสร็จแล้วกลมาอยู่กลางถึงเวลาชังคุณก็ชังได้ชังเสร็จแล้วก็มาอยู่ตรงกลางเข้าใจได้ไหมเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจได้ไหม <c oughs> ถือเอาง่ายๆเวลาทานข้าวอร่อยคุณคุณว่าอร่อยเสร็จอร่อยแล้วก็ามาอยู่ตรงกลาง В เวลาไม่อร่อยคุณก็รู้สึกไม่อร่อยเสร็จแล้วคุณก็ามาอยู่ตรงกลาง แต่ถ้าหากว่าคุณหาสายกลางไม่พบเวลาคุณอร่อยคุณก็ตรงมาเต็มที่ท้งอร่อยเวลาหมดคมอร่อยคุณก็ตรงมาทางนี้มันก็ไปเจอสายกางที่ดีเรียกว่าสุดตรงซ้ายสุดขวาสุดหรือเรียกว่าทางที่สุขเกินทุกเกินแต่พุทธิย่าบอกมัชฌิมาปฏิปทาเอาทั้งสุกทั้งทุกมารวมกันมันก็จะเกิดความพอดีนะเพราะฉะนั้นความพอดีจึงเป็นสูตสากลในทุกเรื่อง ถ้าปรุงอาหารอร่อยพอดีนี่ดีไหมอร่อยพอดีพอดอีถ้าอร่อยมากนี่ไม่ดีแล้วเพออราะแหละมันจะเป็นโรค ล, ล้นะเดี๋ยวไปติดอะไปติดว่าอร่อยมากผู้อร่อยมากเลยพอพอไปกินอาหารที่ไม่อร่อยเป็นไงกินไม่ลงแ <c oughs> ล, งล้ว <c oughs> เห็นไหมให้อร่อยแต่พอดีรักก็รักกันแต่พอดีชังกันเพราะรักก็ต้องเปิดเผยชังแต่ชังให้พอดีอย่าชังมาก แบ่งไว้รักบ้างรักก็รักให้พอดีแบ่งไว้ชังกันบ้างแล้วมันก็จะอยู่กันได้ตลอดนะแต่ที่มันอยู่กันไม่ได้เพรรักก็รักมากเกินไปพอถึงเวลาชังไปไงก็ชังมากเกินไปจนอยู่ด้วยกันไม่ได้นะอันนี้คือทางธรรมเนี่ยถ้าใช้แต่พอดีอยู่ทางโลกก็ได้อยู่ทางธรรมก็ได้ไม่เป็นปัญหานะดังนั้นเองเราก็ต้องมาศึกษาความจริงก่อนว่าความจริงมันคืออะไรความจริงคือทางสายกลาง เนี่ยควชอบมันชอบสุขทุกมีอยู่แต่ว่าเราไม่เสพสุขไม่เสพทุก ค, คือมาทําใจเป็นกลางาเรียกว่าทางสายกลางคือสุขก็ได้ทุกก็ได้อร่อยก็ได้ไม่อร่อยก็ได้ร้อนก็ได้กินน้ําร้อนก็ได้กินน้ําเย็นก็ได้แต่ถ้ า, ถาคุณไปติดอ่ะฉันถ้ากินน้ําเย็นเถะนะเตอน้าร้อนฉันไม่นะฉันนะฉันจะกินน้ําำที่สะอาดถ้าน้ําไม่สาดไม่ทานนะทานกินน้ํายี่ห้อนี้เถอะนะถ้าไปยี่ห้อนี้ฉันไม่ใช้ ตรงนี้เขาเรียกว่าเราไปติดละวเสพติดชุดขั้วแล้วแต่ถ้าหากเราไม่เสพติดหมายว่ามีอะไรก็ใช้อันนั้นขอให้มันปลอดภัยใช้ได้เสื้อผ้าก็เหมือนกันมีอย่างไรก็ขอให้ใส่ได้เลยกันไม่ถึงว่าต้องมีแบรนด์สูงมียี่ห้อดีไหมทุกอย่างเครื่องใช้ไม้สอยถ้าเราใช้ชีวิ ต, ตทางสายกลางเนี่ยเราจะสบายของใช้ไม้สอยธรรมดาหมดไม่ต้องแบรนด์ดีปรากฏว่าคนที่เขาเป็นเศรษฐีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ของดีนะ แต่คนที่อยากจะเป็นเศรษฐีเนี่ยจะใช้ของดีมากๆเลยนะแต่ไม่ได้เป็นสักทีแต่อยากเป็นนะแต่คนเป็นเศรษฐีจริงๆมาไปเจอแล้วเขาใช้ของถูกมากเลยนะใช้ของปอนๆเศรษฐีตัวจริงนะดังนั้นนี้จะไปศึกษาื่องกันดังนั้นในการปฏิบัติแต่ละวันแต่ละวันละวันให้เราเดินจงกรมเพื่ออะไรให้เราสร้างจังหวะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตอยู่กับความจริงแบบซ้ำซาก จนกระทั่งมันรู้จนได้แหละพระจิตของเราอยู่กับซ้ำซากกันอ๋อมันเห็นความเบื่อเป็นอย่างนี้อความคิดมันเป็นอย่างนี้ความฟุ้งมันเป็นแบบนี้ความง่วงเป็นแบบนี้ให้เห็นหลายๆครั้งให้เห็นความง่วงหลายๆครั้งแล้วในที่สุดเราจะรู้ว่าความง่วงมันก็คือสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอะไรก็ตามมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้จิตเห็นครบถ้วน แต่ส่วนใหญ่ที่เราเบื่อไม่เป็นเราไปเห็นแต่มันเกิดไต้ตอนที่มันตายเราไม่เห็นตอนเห็นที่มันง่วงตอนที่มันหายง่วงเราไม่เห็นเราไปเห็นตอนที่ ร, รักกันไอ้ตอนที่เราชังกันเราไม่เห็นเราไปเห็นตอนที่อร่อย <cre an throp od> ตอนที่มันหมดความอร่อยเราไม่เห็นอย่างเงี้ยเราไม่เห็นครบขบวนการมันจึงเบื่อไม่เป็นไงแต่เรามาปฏิบัตินี่เราต้องทนอยู่ความซ้ำซากเ <c oughs> บื่อก็เบื่อให้ครบวงจรเบื่อเกิดขึ้นอย่างไรเบื่อตั้งอยู่ไเบื่อดับไปไง ความคิดเกิด <hi> ข uh, uh, ึ okay. here, right. <hi> <hi> ้นยังไงความคิดตั้งอยู่เนี่ยความคิดดับไปไงความไม่สบายความไม่สบายปวดเนื้อปวดตัวเกิดขึ้นไงมันตั้งอยู่อย่างดับไปยังไงให้เห็นครบวงจรอย่างนี้เรียกว่าการเห็นความจริงแบบครบวงจรแล้วในที่สุดเรามันก็จะไม่ยึดติดอะไรเพราะอะไรทุกอย่างก็อยู่ในลักษณะเดียวกันหมดทุกอย่างตกอยู่ในสภาพของ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเรียกมันว่าไตรลักษณ์ภาษาง่ายๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือไตรลักษณ์นั่นเองนะทีนี้เมื่อเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยไตรสิขาคือศีนสัพิพญยาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะให้เข้าใจแต่ว่ามันจะเกิดมากเกิดน้อยขึ้นอยู่ว่าเราเห็นบ่อยไหมเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของความชอบบ่อยไหมเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของความคิดเห็นบ่อยไหม เห็นเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แจะไปห้องปวดขาบ่อยไหมเห็นบ่อยๆเกิดแล้วดูอีกเกิดแล้วดูอีกจนกระทั่งว่ามันจํารู้จํารู้จักเบื้องต้นอ่ะพอรู้จํารู้จักไปนานเข้านั้นเขามันเกิดการรู้แจ้งรู้จริงเหมือนกับเราเขียนหนังสือบ่อยๆนะเขียนต่อแรกเขียนอ่าพอไก่ถึงหอนุ่งหุผสมเขียนบ่อยๆเข้าไปมันก็จําพอจาต่อไปมันก็ เอาไปแปลความหมายเขียนหนังสือได้เป็นเล่มๆอ่านหนังสือได้เป็นเล่มๆนั้นเขาเรียกรู้แจ้งรู้จริงแล้วรู้จักใช้ตอนแรกให้รู้จํารู้จักก่อนว่าเออกายถึ้งพอนุภูมไปงี้นะผสมอิสระอย่างนี้ก็อ่านว่าอย่างงี้นะผสมพยัญชนะนี้อ่านว่าอย่างงี้ให้รู้จํารู้จักอย่างนี้ก่อนพอมันอ่านออกเขียนได้เขาเรียกว่ารู้แจ้งรู้จริงกายกับใจเหมือนกันเบื้องต้นให้รู้จํารู้จักว่าเออรูปไปอย่างงี้นามไปงี้สุขไปงี้ทุกไปงี้พอใจไปงี้ไม่พอใจให้รู้จํารู้จัก แต่พอรู้จักรู้จักบ่อยๆ อ, อ๋อไอ้ความสุขความทุกข์กายใจเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลานะแล้วเราก็ไม่เอาจริงเอาชังไม่ยึดไม่ถือเรารู้จักปล่อยจักวางตรงนั้นเขาเรียกว่ารู้แจ้งรู้จริจงลนะ่ะรู้จักปล่อยวางได้เมื่อก่อนเราชอบก็ชอบจนกระทั่งว่าเข้ากระดูกแหละชังก็ชังก็เข้ากระดูกมันก็เลยไปติดแต่หลังจากรู้ความจริงเข้ามา น, นี้ยอ๋อความรักก็ไม่เที่ยงความชังก็ไม่เที่ยงความ ก็ไม่เที่ยงความง่วงก็ไม่เที่ยงความปวดเมื่อยก็ไม่เที่ยงทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะไปเอาอะไรไปแก่นสารศาละล่ะในที่สุดเราก็เข้าไปใช้ทุกอย่างในฐานะเป็นเครื่องมือให้เกิดปัญญาไม่ใช่เข้าไปยึดครองถือว่าเป็นของเราเป็นลูกของเราเป็นหัวของเราเป็นเมียของเราเป็นสมบัติของเราเป็นพี่ของเราเป็นน้องของเราไม่ไม่ถืออย่างนั้นแล้วทุกอย่างเพียงแต่พึ่งพาอาศัยกันชั่วคราว แล้วก็จากกันไปใ น, ในขณะที่พึ่งหายสายชั่วคราวเราจะอยู่ด้วยความความเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราจะอยู่ด้วยกันความสุขหรือความทุกข์มันก็จะเกิดปัญญาละวนะะนั้นก็อันนี้คือสรุปจากที่ความรู้สึกตัวที่อาจารย์ทิฎย์นาเสนอมาวิเคราะว่าเรื่องของวิปัสสนาเป็นเรื่องของการรู้สึกเอาเรื่องของสมรถะเป็นเรื่องของการคิดเอานะ คิดว่าอย่างนั้นคิดว่ า, านี้ได้แล้วลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพุทธมีคุณอย่นั้นพระธรรมมีคุณอย่างนี้พระสงฆ์มีคุณแล้วก็เกิดความดีใจความสบายใจเนี่ยคิดเอาได้แต่ว่าความดีใจความสบายใจเกิดจากคิดแบบนั้นมันอยู่ถาวรไหมมันอยู่ได้นานไหมอพอพอระลึกเสร็จมันก็ชุ่มใจสักพักเดี๋ยวก็หายไปนี่เรียกว่าสมถะมันชั่วคราวทําให้ใจเทศสบายชั่วคราวแต่ถ้าหากว่าเราเห็นความรู้สึกของเรา แล้วจิตของเราไม่ไปตามความคิดเห็นความรู้สึกที่ปรากฏขณะปัจจุบันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันเนี่ยเห็นมันอยู่ตลอดเวลาจิตของเรามันก็ไม่ไปกับความคิดไม่ไปกับเรื่องอื่นมันอยู่ความรู้สึกเมื่อจิตอยู่ความรู้สึกปัจจุบันปั๊บจิตมันก็นิ่งสบายมันก็สงบเป็นสมาธิความผ่อนคลายมันก็เกิดขึ้นนี่คือเรียกว่าเราอยู่กับความจริงแล้วมันก็จะเกิดศีลสมาธิปัญญาด้วยอัตโนมัติ แต่เวลาทำานาะ่ยดูเหมือนยากยากเนาะแต่พูดดันดูเหมือนง่ายเออเ อ, อ, อันนี้ดูดูเหมือนง่ายแต่ความจริงวิปัสสนาเป็นเรื่องง่ายๆแต่ที่มันเป็นเรื่องยากขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราไปอยากมันถ้าอยากก็เป็นเรื่องยากเลยแต่แล้วทำด้วยความไม่อยากทำด้วยความทำเล่นๆหลวงพ่อเทียนบอกทำเล่นๆแต่เอาจริงๆแต่อย่าทำจริงๆแต่เอาเล่นๆเอออันนี้ก็งงเหมือนกันนะ คือถ้าทำจริงทำจังแล้วมันจะไม่ได้แต่ทำเล่นๆทำให้สนุกแล้วมันจะได้แต่ทำแบบว่าจริงจังตั้งใจเต็มที่เลยไม่ได้เบื่อเลิกเลยเพราไม่เห็นมีอะไรอันนี้เขาเรียกว่าทำจริงๆแต่เอาเล่นๆแต่ทำเล่นๆเอาคือทำเรื่อยๆทำแบบไม่หยุดขี้เกียจก็ทำเบื่อก็ทำขยันก็ทำทำไปเรื่อยๆทำแบบไม่หยุดนี่เราทำแบบเล่นๆแต่มันจะได้จริงๆเพราะทำไม่เลิกไงเล่นไม่เลิก ในลนักษณะอย่างนั้นนะดังนั้นเวลาที่เหลือให้ถามปัญหา5นาทีใครมีอะไรที่สงสัยทะลุหมดเลยใช่ไหมไม่สงสัยทะลุหมดเลยน ะ, ะดังนั้นก็เรื่องของเราปฏิบัติแต่และ ว, วันนี้อยากจะให้ได้ไปใช้จริงๆนะเพราะอะไรเพราะว่ามันมายาก แต่ละคนที่จะมาได้เนี่ยโอ้โหต้องลาการลางานาลารุ่ลาสามีภรรยาลาบ้านล่าช่องทิ้งความสบายทิ้งความสะดวกมาเยอะแยะอันนั้นสิ่งที่ได้ไปมันคุ้มกันคือเอาไปใช้ได้จริงจริงแต่การที่เอาไปใช้ได้หมายถึงว่าเราจะต้องเอาไปบ่มเพาะนะมาที่นี่มาฝึกภาคสนามพระนเรนกภาคที่เราจะต้องไปเจอของจริงคือที่บ้านนะไปเจอไปเจอปัญหาจริงเหย่อเจอที่บ้านเราจะทําใจได้ไม่ได้ ก็อยู่ตรงนั้นแหละถ้าทําใจได้หมายความว่าปฏิบัติได้ผลถ้าทําใจไม่ได้ก็ออปฏิบัติก็ไม่ค่อยได้ผลนละดังนั้นเองก็ในการปฏิบัติแบบนี้ปัจจุบันนับวันที่จะแผ่ขยายกว้างขวางมากขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในประเทศไทยเนี่ยมีญาติโยมที่เข้าใจชมีชํานาญแล้วอธิบายเปิดอารม์สอนกันอยู่นี้เขาไม่ต้องมีพระก็ได้อย่างอาจารย์ธีรยุทธ์ไปจัดคอร์สบ่อยเหมือนพระเลยแหละ แต่ข้อนท่านส่วนใหญ่สามวันนะสาวันอาจารย์ธีรยุทธ์อาจารย์อะไรอะสุภีจะไม่เคยเคยดีนสุภีมาเจ้าชีทุมทองอย่างโยมพิกุลเราเนี่ยเป็นโยมก็ทําได้นะฉะนั้นเดี๋ยวนี้โยมเนี่ยก็ฝึกกันแล้วก็ใครที่คือมันประสบการณ์เดียวกันะทําเรื่องเดียวกันถ้าคนไหนชนานาญคนไหนเห็นแจ้งก่อนก็ไปสอนเพื่อนไปบอกเพื่อนแค่นั้นเองไม่จําเป็นจะต้องบวชเป็นพระ โยมนี่แหละถ้าเข้าใจแล้วก็สามารถอบรมสั่งสอนกันได้เพียงแต่ว่าเราเราไม่ยึดมัน่นมายึดถือว่าคนนี้เป็นพระคนนี้เป็นโยมเพราะความเป็นพระมันอยู่ที่พระเหลืองน่ะความเป็นพระอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจมีอยู่สี่ข้อนะคนไหนอยากเป็นพระนั่นหนึ่ปฏิปนอ่าปฏิบัติดีด้วยกายวาจาใจสองอุชุปฏิปั น, นูปฏิบัติตรงไปตรงมาด้วยกายวาจาใจ สมญายะปฏิปปโนแก้ปัญหาปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาของตัวเองได้แล้วแก้ปัญหาของเพื่อนก็ได้ 4. ส, สามีจิปฏิปปโนปฏิบัติดูความเหมาะสมดูความเหมาะสมดูความสมควรแค่ไหนเพียงไรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป เ, นะเหมาะแก่ฐานะเหมาะแก่สภาพรู้กาลเทศะรู้เขารู้เราเนี่ยให้สี่ข้อเนี่ยเป็นพระได้ละ เอสา พ, พักบโตสาวกสังโฆเวลาราสวดใช่ไหมสุปฏิปโนโปุพักวัตโตสาวิะยายะอุชอุอุชุปฏิปโนโุยายะปิมุสามีกิปฏิปนโุถ้าคนได้ปฏิบัติได้สี่ข้อนั้นทั้งหมดเอสาพักบโตสาวะโสเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นได้แล้วเราเป็นพระได้แล้วแล้วก็ไปใครต้องการที่จะรู้เรื่องนี้แล้วก็บอกลและเราก็สอนกันได้ถ้าเขาฟังแล้วเข้าใจเขาก็ยิ่ง เพิ่มความเรื่มใสเพิ่มความเชื่อถือมากขึ้นแล้วฝรั่งที่เขาสอนกันเนี่ยเขาก็ไม่ใช่บวชเป็นพระอย่างนั้นวเขาก็ตั้งสํานักสอนแบบแบบพวกเราปฏิบัติกันเนี่ยเพราะเขาเอาที่เหตุที่ผลไม่ได้เอาว่าคุณเป็นพระหรือไม่เป็นพระเอาที่ความจริงว่าคุณทําที่คุณพูดได้ไหมแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่คุณพูดมันคุณทําไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่เชื่อถือเหมือนกันนะคุณต้องทําสิ่งที่คุณพูดได้แล้วฉันจะทําตามไม่สําคัญว่าคุณจะเป็นบวชหรือไม่บวช แต่ให้คุณทําตามในสิ่งที่คุณคุณพูดก็ใช้ได้ละนะถ้ายอมเข้าใจยี้ยมไปทําตามได้ไหมหาวคือจะอะไรด้วยตัวหมหาวมันเป็นผลเลวลนะหาวเหตุของการหาวนะมันที่งไอ้ที่ไปที่มาพราเราเพลินนะมาดอหาวดังนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่เป็นเรื่องที่เราต้องมีอะไรหนึ่งรักให้เป็น รักที่จะทำสองตั้งใจและลงมือทำให้ได้ถ้าทำได้สองอย่างนี้อีกสามอย่างจะเกิดตามมาคือคือรู้เรู้ตัวตั้งใจแล้วก็รอบรู้ในสิ่งที่เราทำนะเพราะนั้นในช่วงเย็นวันนี้ก็คิดว่าเราได้ฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์จากยานเทยุทธ์ด้วยอเอามาก็มาเสื่มให้เห็นชัดเจนเจนขึ้นก็ขอบอูนาที่เราจะนาไปฝึก <c> ฝ <oughs> น ไปเรียนรู้ทำเขาเข้าใจจนชมนิชำนาญและเวลาก่อนหลับก่อนนอนก็อย่าไปคุยกันเดี๋ยวจะหลับยากสองเวลานอนกำหนดลมหายใจเข้าออกสบายๆไม่ต้องยกมือก็ได้ดูลมหายใจยาาละเอียดลึกตื้นดูเล่นไปเรื่อยๆตั้งใจดูไปเป็นการปฏิบัติอาณาปานสติในเวลานอนแล้วเราก็จะหลับง่ายขึ้นง่ายขึ้นในที่สุดดึงลมหายใจเข้าออกเข้าทีออกทีหลับเลย ให้สำนานนะก็ขอให้ความตั้งใจนี้จงสำเร็จประโยชน์ในการที่จะทำให้เรารู้แจง้งเห็นจริงในชีว <p> ิตของเราด้วยการทุกคนทุกท่านเถิน